นะเออ و م س َ د ل ل ت في ا م ل ل ك ث ر ا ًِ م س د د للتر في اسم الله ع ل ي ولا ي ن ص الله, الله ما ينصره ولا ينصر الله م ْ ينصره. الله القوي النعيز، الذين مكنناهم في الأرض، الذين إن مكنناهم في الأرض. قام الصلاة و آ ت و ز ك ى وأمر من المأمور وأمر من المعروف ونها عن المنكر ولل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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن م, م ح م د ชริคเเละว่าฉั ل ว่าเเนมูฮัมหมัดเณอับดฺฮฺวะรํสูลฺฮ و อัลลอฮฺมับิเเคอัลบัพหนา ل ับิเเคอัมซัยน่าวั ب سم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو سميع الس العليم ربيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسولا ل ل ه م إني أعوذ بك من الكسل وسوء ا ل ك ب ر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر ุ s a ah uh. s a ا a m u a l a i k u m warahmatullahi w a ้นองมุสลิมที่ร่วมนมาสุบษที่มัสยิดอันวาิสุนนะที่รักทั้งหลายกัลฮัมดุลิลลาห์เราขอบคุณอัลลอ سبحانه ละุุาุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุอุุุุุุุุุลุุุุ ประโยคนี้เป็นประโยคที่ดีที่สุดเป็นการขอบคุณที่ท่านนบีสอนแต่ล l l ก็สอนว่าการขอบคุณ a l l ที่ดีที่สุดให้ใช้าคานี้แหละอัลฮัมดุลิลลาอัลฮัมดุลิลลาลกัชุกว่าลกัลฮัมดุการสเสริญทั้งหลายเป็นของ a l l a การขอบคุณทั้งหมดเป็นของ a l l a ซุบฮานะฮูวะตาลาขอบคุณ a l l a สุภานาหูวาตาล่ที่อัลลอ์ให้เราตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ให้เรานอนหลับไปเมื่อคืนนี้ดุอาที่ขอบคุณอัลลอฮ์สำนึกเราไม่ได้นอนเองเราไม่ได้หลับเองแต่เป็นพระกาหนดของอัลลอฮ์สุภานาหูวาตาเล่เราก็กล่าวขอบคุณอัลลอฮ์ว่อัลฮัมดุลิลลาฮิลลัลลิอัยานา บัดมะอามาตนาไว้ลายหินโูเป็นการขอบคุณอัลลอ์ที่อัลลอฮ์ให้เรานอนหลับเมื่อคืนนี้แล้วก็ให้เราฟื้นขึ้นมาให้เราตื่นขึ้นมาเป็นการเตือนว่าการตายก็ตายแบบนี้แหละแล้วก็จะต้องฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อการเป่าสังครั้งที่สองเกิดขึ้นนะครับ <c oughs> ขอบคุณอัลลอฮ์ س ب ح ละุ์ุุุุุุุุุุุุุ มาอ่านอัลกุรอานที่มัสยิดของอัลลอมาทบทวนอัลกุรอานถึงจะไม่มากสามสียอายะห์แต่ก็มีความหมายเป็นการเตือนสติเป็นการบอกตัวเราให้รู้ว่ากุรอานแต่ละอายะห์นั้นมีความหมายครับแะเกี่ยวข้องกับพวกเราทั้งหมดนะครับขอบคุณอัลลอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราอ่านมาถึงอายะห์ที่ส7เจด ก็ขอทวนอีกครั้งหนึ่งนะอายที่สาสิเจ็ไยานะลลอฮะลูลูมุฮดลดมอฮลกยานลุตักวมิคุมากฮรลกุมลิตุคับบิรุลลอฮอาลามฮดคุมวับชริลมุฮซินอายนี้ดีมากครับก็คือเตือนเราให้รู้ว่า สัตว์ที่เราเชื่อทำกุฎบานสัตว์ที่เราเชื่อทำกุฎบาตเนี่ยเลือดเนื้อหนังกระดูกไม่ถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เอานะครับเลือดเลือกก็เลือกวัวที่อ้วนที่สุดดีที่สุดราคาแพงที่สุดเขาไม่หักขาไม่เป๋หางไม่ด้วนสารพัด ต, ต้องดีที่สุด ขนาดเลือกดีแล้วอลัลลอบาวา่าเนื้อเลือดเนื้ อ, ก, อ ก, กระดูกฉันไม่เอานาะฉันเอาอะไรครับวันละกียานาลูกหุตตะความิงุมแต่การสำรวมตนให้ห่างไกลจากความชั่วท่านเชื่อ ด, ด้วยหัวใจที่บริสุทธิต์ต่ออัลลอฮหรือเปล่าเชื่อเพื่ออัลลอเพื่อตักวาต่ออัลลอฮฺเพื่อทำตัวใกล้ชิดกับอัลลอ เงินของท่านที่บริที่ซื้อแพะมาซื้อวัวมาชั้นมองตรงนั้นวัวมองหัวใจของคุณทาเพื่อใครเลือดเนื้อไม่ถึงอลัลลอ์ที่ถึงจริงๆก็คือหัวใจที่ตักวาต่ออัลลอฮ์ี่สอนสอนดีมากดีมากครับแล้วก็นเนื้อไปไหนล่ะท่านเอามากินเองเอาไปแจกจ่ายเอาไปห่านกับคนรวยบ้างก็ได้คนบ้านใกล้เรือนเคียงแม้ตอนนอนมุสลิมก็ยังให้ เนื้อกุลบานให้เขาไปทานได้มาจุอิสลามเป็าศาสนาที่ดูแลสังคมเนี่ยพูดแต่เต็มปากเลยนะครับเพราะกูอานนี้สอนอะ่ะจำไหมต่อมาครับกาดาลิกัสคอรฮ า, าละกลุมอัลลอฮ์เนี่ยให้สัตว์มาเนี่ยให้ท่านทั้งหลายเนี่ยดูแลควบคุมมันได้ดีได้ไมด่ดีใช่ช้างตัวโตโ ต, โตเนี่ยมนุษย์คุมไหว สัตว์ทุกชนิดที่อยู่บนโลกนี้ให้มนุษย์คุมหมดเลยกระทั้งที่ร่างกายก็แข็งแรงกว่าใหญ่กว่าแต่มนุษย์นี่อัลลอฮ์ให้สติปัญญามาฉลาดควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้คำว่าซัขขากคาร์ในกุณนกะพีคุณอ่านมีทั้งหมดประมาณสิบห้าครั้งพูดถึงเรื่องดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ฟ้าแผ่นดินอัลลอ์ให้สรรพสิ่งต่างๆเหล่านี้มาบริการมนุษย์ แสงอาทิตย์มีไว้บริการมนุษย์กลางวันให้มนุษย์ทํางานกลางคืนให้มนุษย์พักผรอนท่านอย่าไปรกราบดวงอาทิตย์อย่าไปรกราบดวงจันทร์อย่าไปรกราบต้นไม้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มาดูแลมนุษย์มาบริการมนุษย์แพะแกะวัวควายไม่ต้องไปรกราบเพราะเราสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์สําหรับมนุษย์หนึ่งขี่ได้ 2. เป็นยานพาหนะได้ส ช่วยท่านขนนุ่นขนนี้ได้อันที่สามอันที่สามก็คือขนั้งมันถ้าเป็นแพร่แกะตัดเอามาทําเสื้อผ้าได้ป้องกันความหนาวความร้อนได้หมดเลยต่อมาครับเนื้อของมันเวลาเชือดก็เอาเป็นอาหารได้นี่อัลลอ์อธิบายไว้ในการปีอัลกุรอานเพื่อเราเใจะได้ใช้ปัญญาสติปัญญาอย่าไปกาบติ่มต่างๆเหล่านั้นแต่ให้นึกถึงความยิ่งใหญ่ที่อัลลอ์ ให้สัตว์ใหญ่ๆเนี่ยมาอยู่ใต้การดูแลของมนุษย์ต่อมาครับลิตุกับบิรุลลอฮอาลามาฮาดากุมเพื่อท่านทั้งหลายจะได้แท้ซองสดูดีชมเชยยกย่องให้เกียรติอัลลอฮฺซุนนะฮฺอัลลอที่อัลลอฮให้สัตว์ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมาอยู่ใต้อำนาจของเราได้ว่าบัชรินมุซินีตรงนี้ดีมากครับอธิบายว่าเราดูแลแพะแกะอัวควาย เราเป็นคนดีถ้าเราไปกาปราบอะเราเป็นคนเลวดูแลมันให้ดีดูแลให้อ้วนนะครับเราเป็นคนดีทีนี้อุลามะอธิบายครับว่ามุฮซินนี่คนที่ทําความดีมีอยู่สี่อะไรกันหนึ่งคำทำดีกับตัวเองสองทำดีกับคนอื่นสทําดีกับสัตว์4ทําดีกับต้นไม้และพืชพันธุ์ตัญญาหาที่เราดูแลอยู่เนี่ยต้องให้น้ามัน อย่างนี้เป็นต้นนคะครับว่าบัชชิรืลมูฮซินีนจงแจ้งข่าวดีกับคนที่ทำความดีอัลลอ์จะตอบแทนรางวัลให้เนี่ยอายะที่เราศึกษากันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเอาวันนี้มาดูอายะที่สามสบปดอินนัลลอฮฺยูดาฟิอูอันลเลซินอาเมนู كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ إِنَّ <س ؤ> اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ <إ> <وا> <إ> <ور> <س ؤ ال> อัลฮัมดุลิลลอฮฺอัลลอฮฺอัยิ่งใหญ่มากครับอายานนี้ทำให้มุมินสบายใจอัลลอฮเล่าในการอิารณมาดูคำแปลก่อนนะครับอินนัลลออินนาแปลว่าแท้จริงแท้จริงอัลลอฮฺเนี่ยยูดาฟิอูนแปลว่าปกป้องหรือบําราบปกป้องป้องกันช่วยเหลือ คาแปดีมากครับอัลลอฮ์นี่ปกป้องนะปกป้องไม่ให้ศัตรูเนี่ ย, ม า, า ย, า ย, ายมาทําร้ายอ่าอยู่ดาเสียมาจึงป้องปกป้องป้องกันปกป้องใครกร็ปกป้องมุมินไม่ให้ศัตรูมาอะไรนะมารังแกมาทําร้ายมาเขนฆ่าอัลลอฮฺอักุ๊ะ เฉพาะมุมินนะอัลลอฮ์คุ้มครองเห็นยังครับนี่อัลลอฮ์คุ้มครองผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อินนัลลอฮัยุดะฟิอุอาณิลลาฮีนอามานอัลลอฮ์ Allah, แท้จริงอัลลอฮ์ทรงปกป้องพวกศัตรูให้พ้นจากบรรดาผู้ศรัทธาอัลลอฮฺอักบะสผู้ศรัทธานะทีนี้ถามว่าผู้ศรัทธาแบบไหนแหละที่อัลลอฮ์จะปกป้อง ถ้าศรัทธานิดๆก็ปกป้องนิดๆถ้าศรัทธามีอยู่นิดหน่อยอัลลอ์ก็ปกป้องนิดๆหน่อยๆอุลมามะอธิบายตัฟซีดอธิบายนะผู้ศรัทธาที่เสียสละอยอมทุ่มทุกสิ่งทุอย่างปกป้องาศาสนาของอัลลอ์ดูแลาศาสนาของอัลลอ์ช่วยงานาศาสนาของอัลลอ์ นะครับอัลลอฮ์จะปกป้องไม่ให้ศัตรูนี้มาเล่นงานผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่ต้องเสียสละเยอะๆนะหรือพูดง่ายๆจะชนะศัตรูโดยไม่ต้องทำสงครามจะชนะศัตรูโดยไม่ต้องลงมือลงแรงแต่เราเพียงแต่ทำตัวของเราเนี่ยให้เข้าใกล้หลักการาศาสนาของอัลลอฮ์ให้เยอะดูแลาศาสนาของอัลลอฮ์ดูแลคนรอบข้างของเราเนี่ยให้รักอัลลอฮ์ให้รัก Allah, รกะซูน ดูแลครอบครัวเราให้รักอัลลอฮ์รักระซูนดูแลคนที่เราสามารถจะพูดคุยได้ให้เขาได้อีมานต่ออัลลอ์และเสียสละในุูนทางของอัลลอ์วางตัวดีเขา้าคือทำตัวแบบซอฮาบานนดีอ่ะอัลลอ์ก็จะปกป้องศัตรูเนี่ยไม่ให้มาเล่นงานผู้ศรัทธาต่อ Allah. อัลลอ์เอาต่อมาครับอายานี้องการที่อธิบายอย่างนี้ ในตัปซิดอิบนุกะซิดอธิบายดีนะก็บอกว่าปีที่หก <c oughs> ปีที่หกปีที่หกเนี่ยอัลลอฮ์ได้ให้ใครนะได้ให้นบีเนี่ย <c oughs> มาทําอะไรไปน้องมาทําอุหมรอนบีถูกอบพยศนะไม่จะไม่ใช่นะไม่จะออกเองนะถูกสั่งให้อบพยศจากนครมักกะ ไปนครมาดีนะเพราะอะไรครับเพราะคนมุชริกีเนี่ยวางแผนจะเล่นงานนาบีนบีทําความผิดอะไรครับผิดที่เอาสอนให้ยึดมั่นนั้นอัลลอฮ์องเดียวแล้วก็ให้ไม่ให้ปฏิบัติตามประเพณีปฏิบตัติยึดอัลลอฮ์องเดียวพักดีต่ออัลลอฮ์องเดียวอย่าทําชิริกเพราะว่าไม่ให้ทําชิริกไม่ให้กราบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เนี่ย มาหมาดได้กลายเป็นต้องถูกคดีถามว่าทำความผิดอะไรหรือฆ่าคนเปล่าเปล่าด่าคนเปล่าเปล่าคดีอะไรใช่ไเรียกร้องคนสู่อัลลอฮ์องเดียวเองผิด <c oughs> แล้วก็ประเพณีปฏิบัตินบีไม่ได้เอามาใชา้เลยทั้งๆที่ปู่ย่าตายายของนบีนะ่ะประเพณีปฏิบัติเต็มไปหมด เอาเช่นอะไรบ้างเดือนชาวานไม่แต่งงานนาบีแต่งในเดือนชาวานใครรายงานหาดิสนี้ท่านหญิงอาิชาเองครับฉันเนี่ยโชคดีที่อัลลอฮ์เมตตาฉันให้แต่งงานกับท่านนาบีในเดือนที่ชาวบ้านเขาไม่ยอมแต่งงานกันพอนบีมาแต่งงานกับท่านหญิงอาิชาป้าิชาวบ้านฮือเลยอ้าวมุฮัมมัดเองทำตัวแตกแยกกับสังคมเองเป็นตัวนำปัญหาแตกแยกมาเกิดขึ้น ฉะนั้นเองอยู่นครมกักกะไม่ได้เหมือนพวกเราดีใช่ไหมได้อสซุนามาชายเนี่ยกลายเป็นอะไรทยเต็มไปหมดเลยถูกกล่าวหาตั้งคดีเต็มไปหมดฉะนั้นไม่ต้องไปห่วงยืนหยัดอยู่กับอัลลอฮฺอยรอสูลให้มั่นคงอย่าเอาประเพณีปฏิบัติมาใชา้แท่จะให้นบีอยู่แบบสง่างามนะยึดอัลลหสิบอร์5ซ ยึดประเพณีปฏิบัติอีกห้าบปอร์ซอยู่ได้ไหมสบายเลยพี่น้องก็พอใจเพราะเองทําตัวเหมือนโตะยะ์เหมือนแช่ครึ่งหนึ่งทําตามอัลลอฮ์ครึ่งหนึ่งอยู่ได้ไหมได้ถ้ายึดอลัลลอฮ์เพียวเพียวไม่เอาประเพณีปฏิบัติถูกเล่นงานครับวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้ก็เหมือนกันคนที่ยึดอัลลอฮ์ยึดวาซูลเพียวเพียวนะ่ะ ถูกตำหนิถูกดา่าอะครถูกต่อว่าตั้งคดีนู่นเป็นนี้เป็นนั้นเต็มไปหมดใช่หรือไม่ใช่เป็นน้องสเก็ใช่ครับฉะนั้นนบีถูกอบพยพจากนาครมักกะไปนครมดีนะพอปีที่หกนบีจะมาทำอุมมร์พวมุชรกิกีเนี่ยยืนขวางฉันไม่ให้เข้าน่าแตกไหมหน่าแตกครับสวบบาวบ้านนบีบอกนบีลุย อัลลอฮ์สั่งอย่าลุยอา้าวกลับก็กลับมาดีนะพอปีที่แปดหกเจ็ดแปดแค่สามปีเองสบัดแค่สามปีนะบีกลับมายุธนครมกักกะเรียบร้อยเลยใช่ไหมะฉะนั้นเดินตามอัลลอ์เดินตามนาบีฉะนั้นการทำความดีค่อยๆทำใช่รับฉะนั้นอัลลอฮ์เนี่ยปกป้องอ่า ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ให้คนมุชรีกีนมาเล่นงานนี่เป็นการยืนยันว่าอัลลอฮ์ดูแลนบีมุหัม m ดูแลสุฮบานบีแล้วพวกเราวันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรายืนยัดกับอัลลอฮ์ให้มัน่นศัตรูไม่สามารถทำอะไรเราได้ใครปกป้องครับอัลลอฮ์ปกป้องเขาได้มาอ้ต่อมากับอินนัลลอฮแท้จริงอ uh ัลลอ์และอยู่ฮิบบแปลว่าไม่ได้นะ ไม่ชอบไม่รักอัลลอฮ์ไม่ชอบอัลลอฮ์ไม่รั ก, ลล ม, ลล ม, รกมันก็เหมือนเราถ้าเราไม่ไม่รักไม่ชอบแล้ว ก, ก็เกลียดใช่ไหมละ่ะพอเกลียดเราเป็นไงครับคนประเภทไหนที่อัลลอฮ์ไม่ชอบไม่รักกุลละทุกคนที่มีนิสัยเขาวันทรอยด์เห็นไหม ขว่านนิสัยทุกคนที่ทรยศพูดอยู่ทรยศต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่รักอัลลอฮ์ไม่ชอบแต่อัลลอฮ์เนี่ยวางวางกฎเอาไว้ดีไม่ชอบกับให้อีกไม่ชอบนะให้อ้าวเอาไปเอาไปเอาไปอยากฟาโร่อัลลอฮ์ชอบไหมไม่ชอบส่งเคยส่งใครมาสอนส่งนบีมูซามาสอนแล้วเราให้ให้ฟาโร่อดไหมเปล่าว อยูนในพระราชวังนะมีอาหารไว้มีอาหารกินมีตําแหน่งไหมมีตําแหน่งเป็นพิง อ, อัลลอฮฺบาร์จะมีลูกน้องเต็มไปหมดลูกน้องฟาโรห์มีจําหน่ายสามืห้าพันมีทหารอมคารักเต็มไปหมดเลยนะ่ะนั่นอลัลลอฮฺเกลียดนะ่ะนะยังเกลียดนะ่ะแต่ให้อลัลลอฮฺเป็นองให้เพื่อให้หลงให้เพื่อให้หลงแล้วก็เป็นไงครับจมหนามตา จมน้ำตายพี่น้องหลายคนมุสลิมวันนี้คุยถามผมว่ า, าตายแล้วเนี่ยไปสวรรค์ลเลยใช่ไหมวอกไม่ไปครับกูอ่านอธิบายต่อนะนิมมาคอตีอาตีหิมที่อัลลอ์ให้ฟาโร่จมน้ำตายเพราะฟาโร่ทำผิดคอตีมีความผิดครับพจมน้ำตายถามว่าจมน้ำตายแล้วจบหรือไม่จบไม่จบครับ โอเครีกูนารออัลลอฮให้พวกเขาเข้านารกต่ออีกพี่น้องหลังจากวิญญาณออกจากร่างไปแล้วใช่ไหมแต่ก่อนตายนี่อัลลอฮอัลลอให้เต็มไปหมดเลยให้เงินให้ชื่อเสียงให้ตำแหน่งดุนยามีเท่าไรฟาโรห์ได้ครบเลยพี่น้องเรามาดูพระยาฟาโรห์เป็นไงมาเดี๋ยวมาเดีไปนรกแบบแบบแบบฟาโรห์ไปไหนะไปสวรรค์เพราะอะไรครับ เพราะนางอีมานต่อนบีมูซาไม่อีมานต่อฟาโร่เห็นไหมเรื่องอกคดา่าเรื่องเดียวอะฉันศรัทธาในอัลลอฮ์ฉันรักอัลลอฮ์ฉันยืนหยัดในอัลลอฮ์ยืนหยัดในคําสั่งของอัลลอฮ์จะเป็นไงครับนางอาซียะได้ไปสวรรค์นื้คุณอานอธิบายไว้อะโออัลลอฮ์สร้างบ้านหลังดึงให้ฉันในสวรรค์ได้ไหแล้วัดได้เลยฉันสร้างให้ได้ไปสวรรค์ดันยืนหยัดในอัลลอฮ์ครับ แค่นี้อินนัลลอฮแท้จริงอัลลอฮ์ไม่รักนะใครครับกุลลขวนันทุกๆคนผู้ที่ทรยศอัลลอ์ไม่ชอบเอาใชายตอนทรยศเปล่าและเราบางบางวันก็ทรยศมีไหมมีแล้วก็ต้องนึกเฮ้ยเราทรยศต่อลอบเปล่าเนี่ยโอ้โหนามาสมัยก่อนนี่นามาขา ด, ดย้อนนี้ชักไม่ขาดจะดีขึ้นอัลฮมูฮัมลม ขนาดใครที่ทรยศแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีดีไหมดีครับที่อัลลอฮ์ไม่ให้ฟาโรตตายไวๆนะเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะอัลลอฮ์ต้องการจะให้ฟาโร่เปลี่ยนนิสัยยืดเวลาไว้ยืดไปยืดไปยืดไปถ้ายืดแล้วเปลี่ยนนิสัยอัลลอฮ์จะให้รางวัลอันยิ่งใหญ่ถ้ายืดแล้วผนปลนแล้วประวิงเวลาแล้วไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเท่ากับเป็นการสะสมความ ให้กับตัวเองเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยิ่งอยู่ยาวโทษก็หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นไปเห็นตอนไหนครับพอวิญญาณออกจากร่างอายาอลลมนินรกมีสวรรค์มีเพิ่งเห็นนะตอนอยู่บนดุนยานี่ยังมองไม่เห็นพอวิญญาณออกจากร่างปั๊บเห็นหมดเลยครับพี่น้องพราะกูอานอายาหนึ่งอธิบายไว้เห็นหมดเลยนะครับของที่มองไม่เห็นได้เห็นของที่มองเห็นไม่ได้เห็นเช่น โฉนดที่ดินรถเมียลูกไม่เห็นแล้วไปเห็นนรกสวรรค์มัละอีกะาโอ้โหนี่มันมีจริงนี่ที่ท่านอาบดุมบาบพูดนั้นมันจริงแต่ว่าไปเห็นตอนไหนตอนหลังตายกับตัวทานไหมไม่ทานแล้วต่อมาครับอ uh ินนัลลอฮ์ลา يحب ب ُบุกุลล و َาวَ ك َ و า ا ن ์แปลว่าพูดที่ทรยศ ต่อมาครับกัฟูรุนผู้ในระคุณนี่เป็นสิส่งฝาดของชายตอนหมดเลยเป็นสิส่งฝาดของคนที่แอนตี้อิสลามเป็นลักษณะของคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาระซุนพี่น้องคนที่ยึดอัลลอฮ์ยึดยึดระซูลอารมณ์ไม่มีครับมีแต่อารมณ์ตามอัลลอฮ์อย่างเดียวปฏิบัติอัลลอฮ์เชื่อฟังอัลลอฮ์ปฏิบัติตามอัลลอฮ์พี่น้องเทลายหพี่น้องครับอัลลอฮ์จะรักษาอัลลอฮ์นะรักษาใครนะ ในอธิบายอายานี้คำว่ายูดาฟิอานี่มีคำอธิบายต่ออีกว่าอัลลอฮ์จะปกป้องส nah ุนนะนบีอ่านี่อุลามะอธิบายต่อนะยูดาฟิอ nah um ัสุนนะจุลุมตินบิดะอาอะไรที่คู่กับสุนนะก็กคือบิดะอาจานั้นอัลลอฮ์เนี่ยจะรักษาสุนนะของนบีอาวัยบนโลกใบนี้ไม่ให้บิดะอานั้นชนะสุนนะ จะรักษาเอาไว้ท่านใครที่รักษาสุนนะพี่น้องครับอัลลอฮฺจะเอาบิดาหันออกจากตัวคนนี้ทีละน้อยทละน้อยละน้อยละน้อยทีละนต้องภูมิใจนะคำว่ายูดาฟิะเนี่ยรวมไปถึงคนที่รักษาสุนนะนบีอัลลอฮฺก็จะเอาบิดาเรื่องที่ตรงกันข้ามกับสุนนะนบีนั้นปกป้องออกห่างจากคนเหล่านี้นะครับค่อยๆออกค่อยๆออกค่อยๆออกอีกท่านนึงอธิบายบอกว่า Allah จะปกป้องอุลมอฮ์ไม่ให้คนจูฮาละคนยาเฮนเนี่ยมาทําลายดีไหมดีครับเนี่ยยูดาฟยันแปลว่าปกป้องปกป้องใครครับปกป้องคนที่เรียนสุนนะไม่ให้คนบิดอะมาทําลายจะปกป้องอัลมอฮ์ไม่ให้คนชั่วชั่วคนญาเฮนเนี่ยมาทําลายแต่นบีสัฮาบา น, นาบีนล l l a h ปกป้องตลอดอยู่แล้วครับ เนี่ยพออ่านพูดอ่านเพิ่อหูตาสวา่างโอ้อลัฮัมดุลิลละฮัมดุลิลละอัลลอ์ปกป้องจะนนั้นเรามีที่พึ่งเรามีเกาะป้องกันขอให้เรายืนหยดัดอยู่กับอัลอิสลามยืนหยัดกับอัลลอ์ยืนหยัดตลอซูลให้แน่นคนอื่นๆไม่สามารถจะมาทำลายเราได้นี่เป็นยาหอมนะครับต่อมาครับอายาที่สามสิบเก้า أذن َ للذين ََّ يقاتلون َُ بأنهم َِ ظ ُ ل م و ن أذن للذين يقاتلون بأنهم ظالمون، وإن الله على نصرهم ِ ل َ قدير. َ อุกูีเอายิธลี่ตู่อคาติลู้ตอ้อามุิรมละที่อสอาิธมละผู้ที่ตอสู้เามยุติธละผู้ที่อสอความย้ที่เพืายรรมแอเพืยรรมละผี่ต่อสเพอคาิ้ตอ้อาระอส่าลทอ้เ่ยิแสครร้ ให้จับอาวุธต่อสู้ปกป้องตัวเองได้ก่อนหน้านี้อยู่ที่นครมกาสิบสามปีเผยแพ่ศาสนาถูกถูกราถูกตำดีด้วยวาจาเนี่ยเยอะที่สุดแต่ร่างกายเนี่ยไม่เคยมีกันนานๆามีทีอ้อาวอจาระอะไรนะเอามูลสัตว์มาวางบนหลังนาดี นานๆก็มีทีเพื่งใครรู้ว่าขนาดนาบียังถูกเลยใช่ไหมแต่พวกเราใหญ่ไม่ถูก้ะทีนี้ตอนอยู่ที่นครมกักกะเซบสาปีเนี่ยอัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้นบีจับอาวุธต่อสู้เพราะอะไรครับเพราะมุสลิมจำนวนน้อยถ้าสู้ไปสู้ไปก็แพ่อัลลอ์สั่งเองหน้าที่สอนศาสนาอย่างเดียวถูกตำริถูกต่อว่าถูกใส่ร้า ย, ายให้อดทนเช่น วัซบินอะลามายากูรุ่นเขาพูดอะไรมาเรื่องแรงๆนบีอดทนนะนบีอดทนนะอยา่ยาอย่าอยู่อยู่เฉยๆอดทนสบายไว้อารอดตอบแทนรางวัลให้ทีนี้พอท่านนาบีอบพยพไปนครมาดีนะพอไปตั้งรัฐะอิสลามพอไปตั้งรัฐะอิสลามปรับคุณอ่านประธานลมาเลยอูซีนะ่ะถูกอะไรนะอนุญาตได้รับอนุญาต ถูกได้รับอนุญาตอูซีนานี่แปลว่ามันจากอีเดนนะอีเดนบอคออนุญาตอูซีนาถูกได้รับอนุญาตลิน ล, ลาลีนาะสำหรับผู้ที่ยูกอตาลูนผู้ที่ถูกโจมตียูกอตาลูแปลว่าถูกฆ่าถูกโจมตีถูกทำร้ายร่างกายถูกเล่นงานอยู่กอตาลู แต่นั้นคนที่ถูกอะไรนะถูกโจมตีนั้นได้รับอนุญาตให้อะไรบีอันนหุมซูลิมูอนุญาตให้ต่อสู้เพื่อปกป้องตนเองได้นี่เป็นอายัแรกของอัลกุรอานที่อนุญาตให้นบีมูฮัมมัดและซอบ้านนบีนั้นถืออาวุธจับอาวุธมาทำอะไรครับมาปกป้องมาต่อสู้ต่อสู้ใครครับ ศัตรูที่มาทําร้ายเพื่อปกป้องตนเองไม่ใช่ไปเข้นฆ่าคนอื่นนะไม่ใช่นะถืออาวุธเพื่อปกป้องตนเองเวลาเขามาเล่นงานพี่น้องมุสลิมเพราะอัลลอฮฺไม่อนุญาตทำมุสลิมลงมือก่อนนะไม่อนุญาตเลยแค่นั้นอ่ะที่คนยะฮูดีนัสรอนีเล่นงานมุสลิมชอบชอบไรนะเผยแผ่โดยข่มดาบโกหกไม่ใช่ อิสลามไม่อนุญาตให้เล่นงานก่อนแต่อนุญาตให้เฉพาะปกป้องตนเองเวลาคนมุชลิมกีนกาฟิรีนห้าศาสนานะมุชลิกีนกาฟิรีนมุนาฟิกยิวดีทัสโรณีมาเล่นงานมุสลิมเนี่ยไม่ๆเนี่ยอยู่เฉยเฉยอดทนพอตั้งรัฐะอิสลามได้แล้วอลัลลอฮฺบอกให้ถืออาวุธเพื่อปกป้องตนเองได้แต่ลงมือก่อนไม่ได้นะปกป้องได้อย่างเดียวนี่ไง กู อ, นอญญานในยานี้ครับอูซีนาลิลลาีนาอยู่คอตาลูนผู้ที่ถูกโจมตีนั้นอนุญาตให้ต่อสู้ได้บิอา น, นาฮุมซูลิมูเนื่องจากพวกเขาถูกกดขี่ซุลิมแปลว่าถูกอาธรรมเพราะพวกเขาถูกอาธรรมเพราะพวกเขาถูกรังแกเพราะพวกเขาถูกแกล้งเนี่ย จับอาวุธต่อสู้ได้ไหมได้แต่อย่าลงมือก่อนเพื่อปกป้องตนเองอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องจากนั้นมุสลิมทำอาวุธได้ไหมได้ต้องทำด้วยเพราะอัลลอฮฺสั่งให้ปกป้องตนเองเห็นไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ต้องเรียนครับต้องปกป้องตนเองต้องมีอาวุธ ไม่ใช่ไปรังแกคนอื่นเพื่อปกป้องตนเองเ อ, อัลลอฮฺอากูบัติอัลฮะมดุลิลลาอู้ซินาลิลลาซินายุกาตาลูนะ بيان หนุมซุลิมูผู้ที่ถูกโจมตีนะครับได้รับอนุญาตให้ต่อสู้เพื่อปกป้องตนเองได้บิอันนุมซุลิมู เนื่องจากพวกเขาถูกกดที่ขมเหงทำได้ไหมได้อ่านดูต่อไปว่าอินนัลลอฮและแท้จริงอัลลอหฺอาลานัสริฮิมทรงสามารถละกอดีดก่อนนะว่าอินนัลลอฮอลานัสริฮิมละกอดีดและแท้จริงอัลลนัสริฮิมแปลว่า ช่วยพวกเขาให้ชนะล้กอดีรุนแปลว่านะมีความสามารถอัลลอฮ์สามารถที่จะให้ที่จะช่วยพวกเขาหมาถึงพวกมุสลิมผู้อีมานต่ออัลลอ์ให้ชนะได้แน่นอนโดยไม่ต้องทำสงครามก็ได้มีไหละ่ะที่ชนะโดยไม่ต้ทำสงครามมีครับ อย่างนี้นะบีมายึดนครมักาเนี่ยทางว่าฆ่าใครหรือเ ป, ปล่าเปล่าล ย, ยิงกับใครหรือเปล่าปล่าเลยครับชนะโดยเมื่อกาททำสงคารามมีมาแล้วจะนั่นคนฝรั่งกลัวยาฮูดีกลัวตัวมุสลิมวันนี้ฉันต้องทำลายมุสลิมทุกวิถีทางอย่างไอเอสเนี่ยแต่ผมทราบนะมีสองกลุ่ม i อเอสอ m สล s t ิ t ตเต ที่มุสลิมสร้างขึ้นมาเพื่ออัลลอฮ์นะั้นมีไมมมีแต่ไอเอสที่ยโฮดีส่งมาพร้อมมีไหมมีล้วไม่รู้อันไหนอันไหนสร้างความปันป่วนให้กันล่วงหมดเลยครับน บ, บีอสซาอัลลอยกไปวันนี้พี่น้องคริสเตียนยังเชื่อว่าตายบนไม้กางเขนก็โหกเปล่าวเนี่ยหลอกมนุษย์ทั้งโลกอ่ะหลอกได้มได้ ท, ท่าท่ากกูอานบอกว่า น บ, บีอีซาไม่ได้ถูกตึงบนไม้กางเขนไม่มีใครฆ่าแต่อัลลอฮ์ยกไปยังหลอกคนได้อตั้เยอะไปหมดเลยเห็นยังวันนี้เราอยู่ด้วยการถูกหลอกมาเยอะใช่หรือไม่ใช่เพื่ต้องคิดดูให้ดีตึกวนเตดมุสลิมทําลายวันนี้รู้แล้วไม่ใช่ฝีมือมุสลิมทําลายกันเองใช่ไหมเห็นไห ม, มความจริงค่อยๆปรากฏค่อยๆปรากฏค่อยๆต้อง ย, ยืนอยู่ต่ออัลลอฮ์สุบฮานุสอลัลลอฮ์ รักอัลกุรอานศึกษาอัลกุรอานแล้วก็จะรู้ความจริงทั้งหมดข้ออายะนี้ต้องการที่อธิบายอย่างนี้บิวอินอัลลอฮ์ฮาแท้จินอัลลอฮ์เนี่ยทรงสามารถที่จะช่วยพวกเขาให้ชนะได้แน่นอนในอายะอื่น ah, อัลลอฮ์อธิบายอีกนะพี่น้องนะอนธิบายอย่างนี้อัลลอฮ์เนี่ยจะรักษามุสลิมจะรักษาพวกศรัทธาต่ออัลลอฮ์ แต่มีข้อแม้นะท่านจะต้องช่วยงานาศาสนาของอัลลอฮ์ถ้าอยู่เป็นแขกไม่ทําอะไรเลยเองก็ถูกฆ่าถูกไล่ออกจากอย่างเนี้ยพี่น้องเราที่อยู่ในประเทศซีเรียไม่เอาวะรลอนนมาด้วไม่เอาช่วยงานาศาสนาของอัลลอฮ์ไหมไม่ได้ช่วยเท่าไหร่พี่น้องเราเป็นงานถูกเล่งงานใช่ไหมวะเ น, นี้ยนี่เนื่องจากได้ไม่ได้ยืนหยัดอยู่กับาศาสนาของอัลลอฮ์ พี่น้องนี่เป็นข้อสังเกตทั้งหมดจากอัลกุรอานได้ว่ายาอือินาลิลลาฏีนยุกวาตลูนเบอันหุมซุลิมูอัลลอ์ดีมากครับสำหรับบรรดาผู้ที่ถูกจมงีนั้นได้รับอนุญาตให้ต่อสู้เพื่อปกป้องตนเองได้ บีอันนาฮูมซูลิโเนื่องจากพวกเขาถูกกดขี่ถูกคมเหงว่าอินนอโลและแท้จริงอัลลอฮฺอาลานอสรีฮิมที่จะช่วยพวกเขาให้ชนะล้กอดีรุนมีความสามารถที่จะให้ชนะได้โดยไม่ต้องทำสงครามแต่มีข้อแม้ว่าอะไรนะมุสลิมจะต้องยืนหยัดอยู่กับอัลลอและรอซูลให้มั่นอย่าทำบิดานะครับ อย่าเอาประเพณีปฏิบัติมาเกื่อนในการในการทำงานศาสนาอัลฮัมดุลิลเลาห์พี่น้องถามว่านาบีมุฮัมมัดเนี่ยถูกออกจากมักกะเนี่ยถูกรังแกใช่หรือไม่ใช่ใชนญญ่นี่อาย่านี้อธิบายนะอญญาย่านี้ต้องการจะอธิบายว่านาบีมุฮัมมัดถูกไล่ออกจากนาครมักกะพร้อมกับซอฮาบ้า น, นาบี อนุญาตให้จับอาวุธได้หลังจากไปตั้งรัฐะในพื้นที่และหน้าที่เมืองมาดีนาแล้วแต่มีซอบาอยู่คนหนึ่งจะเล่าให้ฟังนะมีซอบาอยู่ท่านหนึ่งจะออกจะออกไปกับท่านนบีไปอยู่ที่นครมาดีนะาแต่ภรรยาและลูกเนี่ยไม่ให้ไปบอกพ่ออย่าไปเนะอยู่มกักกะนี่แหละดีแล้วเมียกับใครนะลูกก็เชื่อ พรรยากระเชือลูกสามสี่ปีอยู่ที่มา ก, การ์อยู่แบบหลบๆนะต่อมาก็อพยพไปพราะ อ, พ, อ, พ, อพยพไปบรรดาซอฮาบะที่อพยพล่วงหน้าไปแล้วสามปีนั้นระหว่างที่อยู่ที่มา ก, การ์ก็เรียนาศาสนาจากนาบีพอนบีอพยพไปที่นครมดินะนบีก็ไปสอนศาสนาไม่ใช่ไป น, นอนตีพุงนะไม่ใช่นะเหนื่อย ไปสอนสอ น, สน ก, กุญญานกรลงมาเรื่อยๆใช่ไหมนะ่ะความรู้ใหม่ๆก็ตามมาสอฮาบะที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีเรียนศาสนาเพิ่มเติมมากกว่าคนที่อยู่ที่นครมะกะที่มะกะไม่ได้รู้ว่าที่มัดีนาก็มีอะไรขึ้นเนี่ยอายะกุญญา ก, กราประทานลงมาเรื่องอะไรบ้างชาวมะกะไม่รู้เพราะอยู่ห่างดับีสอฮาบะที่อยู่กับนบีรู้เหตุเหตุการมีงานนี้มามีงานนี่มามีอามันนี้ม า, มมาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ซาบาที่ไปที่หลังไปไปเห็นซาบาที่เดินล่วงหน้าไปก่อนสามปีอลัลลเขามีความรู้เพิ่มเขาทำตัวดีเป็นที่รักใคร่ของอลัลลอโกรธเมียแล้วก็โกรธลูกเอ็กนี่แหละสองคนเนี่ยรวมกันไม่ให้พ่อไม่ให้ครอบครัวเรามาอยู่กับ น, นบีนแล้วเป็นไงวันนี้เราใช่ไมสู้เขาไม่ได้ใช่ไ้ยทะเลาะกัน Allah ปฏิอัญกูเ อ, อาลงมาอย่าทะลาะกันเห็นไหมว่างานนะ่ะว่าอินต่าฟูว่าทัศฟ้าูวา่วาักฟิรูพ่อเอ้ย Allah ลลบอกกับนบีใหนบีไปสอนสอบาบะว่างั้นนะจงให้อภัยครอบครัวไปเธอแล้วก็จงมองข้ามความผิดแล้วก็อย่าเอาเรื่องกับภรรยากับลูกๆอ่ะที่ย่าไปยั่งไม่ให้ตัวเองมากระนบีมาสามปีทีแล้วนะ่ะให้อภยัยใจเพราะความรู้สามารถเรียนทันกันได้ นี่เป็นความรู้เดียวนางหลายครับใช่ไหมเขาทะเลาะ ก, กันเรื่องอะไรนะเรื่องที่จะเป็นมุนินที่เข้มแข็งั้งว่าพวกเราวันนี้เนะี่ยทะเลาะ ก, กับภรรยาเรื่อง إ ي م านมีเปล่าอา้าวจะทะเลาะ ก, กันก็จะจะทะเลาะ ก, กับลูกอไงจะเถียงกับลูกหรือจะเถียงกับภรรยาเนี่ยเรื่อง إ ي م านมีไหมถ้าเรื่องอี إيمان ค่อยๆ ค, คุยกันอิชัลลอฮฺแต่ไม่ใช่เรื่องอย่างอื่นอะเรื่องอย่างอื่นไม่ใช่อ่ะเป็นห่วงกันนะครับ ถ้าเราอยู่กับาศาสนาเนี่ยได้ฟังาศาสนาอิมาแล้วมันเพิ่มขึ้นในครอบครัวเตอเนี่ยเป็นตัวแยง่งลูกเนี่ยเป็นตัวแยง่งไม่ให้พ่อเขาใจาศาสนาก็นั่งคุยกันแล้วก็อยากทะเลาะ ก, กันเาะอัลอฮาสนาการะตอกันอ่านาเอาไว้นะครับอาต่อมาครับอายาที่เท่าไหร่นะครับสี่สิบครับ الذين أخرجوا من د ي ا ي ر ه م بغير حق إلا أي يقول و ا ربنا الله ولو ال لا دفع الله الناس بعضهم ببعض ل ه د م ت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله ما ينصره إن الله لقوي عزيز الله أكبر. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، إلا أي يقولوا ربنا الله. ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامعه. วَียงและ صلاة และมัสยิดที่จักจำในฮาซุ s ลอฮ์ก h ่ร้อยและยَงَู้อัลลอฮ์ไ ل ่ยังสู้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงแข็งแรงและทรงอ่อนโยนอัลฮัมดุลิลลัลปินังนคดี นบีถูกตั้งข้อหาว่าเป็นคนไม่ดีเพราะอะไรดูอัลลอฮินอูครอยู่แท้จริงผู้ที่ถูกขับไล่ใครถูกขับไล่นบีถูกขับไล่ออกจากไหนนครมักกะวันนี้พี่น้องมุสลิมถูกขับไล่ออกจากประเทศมีไหมมีครับ ในโลกอาดับอัลลอฮ์ลประเทศในปากีก็มีในคัชมิร์ก็มีในซีเ ร, รียก็มีในอิรักก็มีทุกมดเดินตามคุณอญญานอายางนี้อัลลาฮีนอุคริจูบรรดาผู้ที่ถูกขับไล่ออกจากบ้านเรือนของพวกเขาดียาระว่าบ้านเรือนดารุนดารอนีดียารุนระว่าบ้านเรือน อเคริอยู่แปลว่าถูกขับมินจากดียาตมาจากดารุนแปลว่าบ้านบรรดาผู้ที่ถูกขับออกจากบ้านเรือนของพวกเขามีไหมมีครับบุคคลตัวอย่างคือน บ, บีมุฮัมมัดและสอฮาบะถูกไล่ออกจากนครมัมกกะไปอยู่ที่นครมาดีนะยังดียังมีที่อยู่นะอลัลลอฮ์จัดเอาไว้บิร้อยรีฮักกินตรงนี้เป็นไงนะ ไม่มีความผิดที่ออกถูกไล่นะ่ะเพราะไม่มีความผิดบลลร้อยเฮักกิน อ, อ๋อโดยไม่ยุติธรรมอแปลภาษาเพราะหน่อยนะโดยไม่ยุติธรรมถูกไล่โดยไม่ยุติธรร ม, ร ม, รรมอล๋อโดยอาธรรมอไม่มีความผิดเลยครับเอามาดูความผิดอ๋อเล่าให้ฟังนะอิลลนอกจาก ข้อหาที่ท่านนาบีได้รับไอายากลูที่พวกเขากล่าวว่าเพียงแต่พูดอย่างเดียวนี่ข้อหานะพูดพิษเข้าหูไม่เข้าหูพี่น้องไม่เข้าหูประชาชนไม่เข้าหูตตยอดโตแช่โตกีพูดว่าไงครับรับบูนัลลอ อัลลอฮ์คือพระผู้อภิบาลของเรานี่คือข้อหาเองอยู่นครมักกะไม่ได้เพราะเองชูอัลลอฮ์เองไม่ได้ชูตโยถ้าชูตโยเนี่ยอยู่ได้ไหมสบายเลยเองชูใครชูอัลลอฮ์เห็นไหมครับในกรณีงานนี้ในในข้อ ข, ข้อหาที่ท่านนาบีถูกกล่าวหาว่าเองเนี่ยเป็นนู่นเป็นนี่ เป็นคนนำความแตกแยกมาสู่หมู่บ้านเราอยู่มักกะมันอยู่กันดีๆมีรูปเจเวตตั้งสามรอรูปอยู่ในกะบ้ามันสางาอยู่แล้วแล้วก็นบีบอกว่ารูปเจเวตในมักกะน่ะเอาออกให้หมดแล้วก็ชูเอาล้อองเดียวนี่คือข้อหาที่ท่านนาบีถูกไล่ออกจากนาครมักกะเห็นไหมพี่น้องเห็นยังครับข้อหาอะไรครับ ชู Allah อัลลอฮ์องเดียวถ้า ช, ชูประเพณีปฏิบัติชูต่อยอชูนูน่นชูนี่ไอของที่ชาวบ้านทํากันมานะ่ะอัลลอฮ์อยู่สบายเลยในะคนครมะกมาบาดะทุกไล่ใช่ไหมอ่าไปต้องสังเกตและนึกตามโอ้แล้วก็เราที่ถูกดา่าเพราะอะไรครับนี่ไงอายะนี้ไงยืนหยัดใน Allah อัลลอฮ์องเดียวและยืนหยัดในสุนนะเองอยู่ไม่ได้อิหม่ามประกาศคนที่ยึดสุนนะยึดอัลลอฮ์ไม่เอาประเพณีปฏิบัตินะ ตายแล้วไม่ให้ฝันในกูโบมของฉันนี่ครับเดินตามกูวางอัลลาฮิาอุคริยูนินเดริหิมบิรยริฮักตินบรรดาผู้ที่ถูกขับไล่ออกจากบ้านเรือนของพวกเขาโดยยุธิธรรมความผิดมีไหมไม่มีความผิดเลยอิลาไอยาคูลูนอกจาก ที่พวกเขากล่าวว่ารบบูนาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นพระผู้อาิบานของเรานี่คือข้อหาที่ท่านนาบีและสฮะบะถูกไล่ออกจากนาครมาการข้อหาอะไรครับชูอัลออลอฮ์อธิบายเรื่องอัลลอฮ์อย่างเดียวอาต่อมาครับถามว่าอัลลอฮ์เนี่ยวลาถูกขับไล่แล้ววันนี้ก็เหมือนกันนะ มุสลิมถูกขับออกจากบ้านเรือนของตัวเองมีไหมมีค<ะ>รับพม่าเนี่ยโรฮิง ญ, ญาเนี่ยอธิบายได้เต็มที่เลยคนเก่งๆอธิบายต่อ ย, ยอดได้ <c oughs> อาตอมากับวาเลอลาดาฟัลลอฮินดาฟ่เนี่ยแปลว่าช่วยเหลือหรือว่าบัาบาถ้าหากอัลลอ์ไม่ทรงช่วยเหลือ อัลลอ์นี all. All ่อัลลอ์ช่วยนะที่นาดช่วยนะจมเรือไปแล้วใสยร้อยคนคาดช่วยช่วยในาเป็นน้องตายมีไหมมีบางคนกร็รวยพราะ้่ามนุษย์เห็นทีนี้อัลลอ์ช่วยนะช่วยยังไงครับดับอัลลอฮินาถ้าหากอัลลอฮ์มีทรงบำราบมนุษย์ทั้งหลายโดยอีกบางคนทรงคนนี้มายับยังคนกลุ่มนี้ นี่อลัลลอฮ์ส่งมานะไม่ใช่มาเองนะอาทรงรัฐบาลมาจับไอ้คนที่ฆ่ามนุษย์นี่อลัลลอฮ์ส่งมาอย่าไปคิดว่าฉันเก่งฉันแน่ไม่ใช่อลัลลอฮ์โดนใจให้คนคนนี้มะมายับย่างคนกลุ่มนี้ที่มาทําลายมนุษย์ด้วยกันเองให้ไหลไปประเทศเข้ามาช่วยเหลืออา้าวรุงยามาอยู่หมู่บ้านฉันฉันเปิดโอกาสให้ห้าพันคนส่งเรือมารับมีไหมนี่งแผงของใครของอลัลลอฮ์ทั้งหมดกัน แต่นี้ถ้าหาอัลลอ์เนี่ยไม่ยัดยั้งคนกลุ่มหนึ่งแล้วเอาคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมายัดยั้งเอาไว้บาอูบูฮ์บีบาดีซึ่งกันและกันถ้หาหากไม่ยัดยั้งอะไรเสียหายครับลาฮุดดิมัดฮัดดาม่าแปลว่าทำลายฮุดดิมัดแปลว่าถูกทำลายอะไรถูกทำลายครับสวามีะแปลว่าโบท โ บ, ถโบสถ์จะต้องถูกทำลายบสถคริสเตียนจะต้องถูกทำลายเอาต่อมาครับว่าบียอุนโบสถ์ของชาวยิวก็ถูกทำลายแปลว่าปกป้องหมดเลยนะเองฆ่าได้เฉพาะมนุษย์แต่ว่าโบสถ์อลัลลอฮ์รักษาเอาไว้เห็นยังครับถ้าอาลัลลอฮ์ไม่รักษาเอาไว้นะโบสถ์ของคริสเตียนโบสถ์ของชาวยิววาซอลาวาตุน อันนี้เกิดเป็นการอธิบายเหมือนกันก็โบสเหมือนกันนะครับโบสของชาวยิวล้วชาวคริสต์ที่ต้องสังเกตว่งทาําไมอัลลอฮ์เอ่ยโบสก่อนแล้วมสัสยิดมาที่หลังใช่ไหมอ่าดูสิวามาสัยมาสยิดมสัสยิดมาที่หลังเพราะอะไรครับต้องการจะอธิบายว่าโบสถ์ ท, ที่สเตียนมันมาก่อนมสัยมสยิดมัสยิดมาสมัยนบีมูฮัมมัด อ่านบีอีสาเอมซ่าเนี่ยใชสมัยนู้นเขาสร้างโบสถกันแล้วใช่ไหมล่ะไอผิดถูกอีกเรื่องนึงนะแต่โบสถมีไหมมีบสถ์เป็ชาวชายิวมีโบสถ์เป็นชาวคริสเตียนมีอัลลอฮ์ก็เอ่ยว่าศาสนาหรือว่ากลุ่มชนที่มีอํานาจมากที่สุดมาก่อนนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์ให้เกียรติยกย่องพั่วเรื่องโบสถคริสเตียนก่อนและโบสถชาวยิวที่หลังและตามด้วยวามะซิจิตแล้วก็มัสยิดที่หลัง มุสลิมบางคนเนี่ยอัลลอฮ์ทำไมไปเอ่ยโบยกรเอ่ยพวกเราที่หลังมาเสียเปรียบไม่ใช่เนี่ยอัลลอฮ์เล่าเรื่องจริงให้ฟังว่าโลกมันเป็นจะมีอย่างนี้อย่างนี้นถ้าอัลลอฮ์ไม่ส่งคนอีกคนหนึ่งมายับย่างคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มาทํำลายนะโบยคริ Both Both สเตียนโบยยิวมัสยิดถูกทำลายหมดแล้วนี่วันนี้ที่อยู่ได้นี่เพราะอัลลอฮ์ยับย่างยับย่างโดยไม่รู้ตัวน มุสลิมก็มีรู้ตัวคนคาเฟก็มีรู้ตัวนะครับแต่มุสลิมที่รู้ตัวเพวาราะอ่านคุณอ่านตหางนะครับทีนี้โบทสวามีแปลว่าบทคริสเตียนบียอุนบทพมชาวยัฮูดี ว, วาซอลาวาตุนรวมหมดนะครับสถานที่สวดทั้งหมดของพวกยิวและพวกคริสวามาซาญิดและมาสาัสยิดของพี่น้องมุสลิม ที่พระนามอิสมุนบวานามที่พระนามของอัลลอฮยุสการุถูกเอย่ยในโบสถ์ในมัสยิดแต่วัดไม่มีนะวัดของพี่น้องคนพูธไม่มีเพราะไม่ได้เอ่ยชื่ออัลลอฮสังเกตสังเกตนละกข้อคิดเพราะศาสนานี่มาจากฝากฟ้า ถึงจะเอยผิดๆถูๆก็ยังมีชื่ออัลลอฮ์อยู่แล้วคุดูดีๆเห็นไหมแต่ว่าที่เอยพระพุทธรูปเนี่ยไม่มีพูดเอาไวเ้เลยนี่ศาสนาที่มาจากชันฟาถ้าหากอัลลอ์ไม่ยับยังส่งคนอีกกลุ่มหนึ่งมายับยังนะฆ่ากันทำลายกันแล้วโบสถ์ในโลกนี้จะถูกทำลายหมดเลยมัสยิดก็ถูกทำลายด้วยอ้าวดูวอายะ ต, ต่อไปวะลายัลซุรานัลลอฮ และอัลลอ์จะทรงช่วยอ่านี่เนี่ ย, ยพราะอาและสบาใจอัลลอ์จะช่วยพี่น้องช่วยใครครับไม่ยังสุรุผู้ที่ช่วยงานของอัลลอฮ์อัลลอฮฺอัไบดท่านมุสลิมมีโอกาสที่จะชนะมีไหมมีมีปัญหาพับช่วยงานอัลลอฮ์สิมีความเดือดร้อนอยู่ยาทินอัลลอฮ์สิ ดูแลลูกให้เขาใจอิสลามดูแลภรรยาให้เขาใจอิสลามดูแลคนใกล้ชิดให้รู้จักอัลลอฮฺละระซุนรังงานอะไรบ้างงานนมาดขาดไม่ได้ถือศีนอดขาดไม่ได้อ่านกุรานขาดไม่ได้สุนนะนบีขาดไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นตัวช่วยให้เราไม่ให้ถูกลังแกมากกว่านี้ครับนี่อัลลอฮฺบอกมีการช่วยเหลือเอาไว้ดีไหมดีครับอัลฮัมดุลิลละอ่นานใหม่วะลายัมซุรันนี่ทาเรียนเรียนนะฮูนะ รอนหน้าเนี่ยนูนตะกตีเนี่ยอัลลอฮ์ช่วยแน่ๆน่ไม่ใช่ช่วยธรรมดานะช่วยแน่แน่ช่วยพันเปอร์เซนวาลายามสุรอนอัลลอฮฺและอัลลอฮ์จะทรงช่วยแน่ๆครับไม่อย่างสุรูผู้ที่ช่วยในหนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮฺอักุัดที่น้องอยาทิ้งาศาสนาคือน้องถ้าต้องการ พี่น้องครับเป็นมุสลิมเนี่ยมันก็ถูกรังแกรธรรมดาอยู่แล้วขานอ บ, บีนะอิบ ร, ฮรฮนะบบอบรฮิมถูกโยนใส่ใส่ไฟผม้อันธพาลพบนะนบีอิบรอฮิมถูกโยนใส่ไฟนะไม่ใช่นุ่งผ้านะเขาเปลือยกายน บ, บีอิบราฮิมก่อนเปื่อยกายก่อนนทรมานอนะ่ะแล้วก็ในวันกิยามานี่นะน บ, บีมูฮัมหมัด พ, พูดเองนะ นบีที่ถูกเอาเพื่อเสื้อผ้าจากสวรรค์มาใส่ก่อนคือนบีอิบราฮิมอลัยฮุสสลามคนที่สองนบีมุฮัมมัดสุลตานอเบสสลามเพราะอะไรเพราะนบีอิบรอฮิมถูกโยนใส่ไฟแล้วก็จับแก้ผ้าเนจเกเปลือยกายขณะที่โยนลงไปในอากาศพี่น้องครับจะเข้าไฟอยู่แล้วท่านยิบเรีย ล, ลงมาถามว่าให้ฉันช่วยไหมท่านอิบเรียตอบว่าไม่เอาถ้าอ AH ัลลอฮ์สิฉันเอาอัลลอฮ์ใจ ผูกพันกับอัลลอฮ์รบบานียีนหัวใจที่โยงอัลลอฮ์เห็นไหมี่น้องแล้วก็ตายไหมไม่ตายอัลลอฮ์สั่งไฟเลยกุลนารยานารูกูนีบัรดันวาซาลลมันอาเาอิบรอฮีมไฟเ อ, อ่ยจงเย็นเฉพาะอิบรอฮีมท่านเดียวนะพวกเราไม่เกี่ยววันนั้นไฟเห็นแต่อิบรอฮีมไม่เป็ไม่ถูกอันตราย ใ, น ใ, นในาดๆข้าณโยนใส่ไฟพอไฟดับแล้ว ท่านนั่งสงางงามอยู่ในกองไฟรับอิสลามกันมารู้ดกี่แสนกี่ล้านจะัตุนมเนี่ยขอคิดจากาูอ่านจากนั้นอัลลอฮ์จะช่วยคนที่ช่วยงานาศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาเก็มจัตุนมฟาโร่ตายทําไมเป็น ก, กษัตริย์จมน้ำตายแต่ บ, บีมูซาตายไหมไม่ตายใครช่วยครับนี่ไง ใครที่ช่วยงานศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะช่วยเขาให้รอดไม่ให้คนบุชูริกินมาทำลายแต่ร่างกายกันธรรมดานั่นมีรางวัลตอบแทนเพิ่มพูนตลอดเวลานะครับเอามาดูครับวัสุทา้ายอินนัลลอฮแท้จริงอัลลอฮ์ลาควุนอัลลอฮ์ทรงมีพลังนี่อัลลอฮ์พูดชมตัวเองใช่หรือไม่ใช่ ให้มนุษย์ที่อ่านคุณอ่านได้เข้าใจว่าอลัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับลาก็วิยุนอลัลลอฮ์มีพลังแล้วก็อาซีซุนมีอำนาจสั่งงานใครก็ได้จะทำลานใครก็ได้แต่ทำไม อ, อลัลลอฮ์นั่นนบีมุฮัมมัดที่ยืนหยัดว่าฉันยึดอลัลลอฮ์องเดียวที่ถูกไล่นะ่ะเรื่องจิ๊บจ้อย อัลลอฮ์อัลลอฮ์ดูแลหมดเลยครับสง่างามครับวันนี้ถูกรักษาบันในกะทีอุลแอนเห็นไหมเรื่องของนบีมุฮัมมัดทั้งหมดเลยทำดูเลยๆขี่อูดไปอัลลอฮ์ก็รักษาหมดเลยคนที่นํานบีเข้ามาดีนะคาเ ฟ, ฟ่ใช่ไหมไม่ใช่มุสลิมวันที่ออกจากมักกาไปในนะคาเฟ่ทำไมต้องดูแลขนาดไหนครับจากนั้นเราต้องนึกถึงเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้กับเราวันนี้เรามีบ้านมีภรรยามีลูกเนี่ยมัดเต็มไปหมดนะ มีเยอะจนกระทั่งลืมนำมาบางคนมีบ้านเช่ากเยอะเก็บตังเพลินลืมนำ ม, มาซูฮุดนีไหมแต่ผู้ร้ายคงไม่มีนะมีที่อื่นเอ า, เอาี่น้อ ง, อาองวาลายัมซุรนอนอลลเห็นยังครับอลัลลอฮ์จะช่วยอลัลลอฮ์จะทรงช่วยผู้ที่มายัมซุรุผู้ที่ช่วยงานาศาสนาของอลัลลอฮ์คำว่าช่วยอลัลลอฮ์หมายถึงช่วยงานาศาสนาของอลัลลอฮ์นะครับ แล้วก็อินนัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์ลากอวียุนผู้ทรงพลังนี่อัลลอ์อธิบายสิฟัต์ของอัลลอ์เองให้คู้อ่านกูอ่านเข้าใจนะครับอาซีรุนผู้ทรงอำนาจอัลลอฮ์อันแท้จริงไม่มีใครที่จะมาทำลายสิฟัต์ของอัลลอ์ได้นะครับพี่น้องในคัมภีร์อธิบายอีกครับพี่น้องอายะอื่นอธิบายแปลว่ากาตาบลลาะ a l ะ a h ได้กาหนดแล้วและอัลลอรบันนะอา น, นะ a l l a จะชนะปัญหาทั้งหมดที่เกิดเกิดเนี่ย Allah ชนะละ ค, อครอกับวารุสุลีรอซูลของ Allah ทั้งหมดก็จะชนะท่านผู้ศรัทธาต่อ Allah มาต้องไปห่วงยืนหยัดอยู่ในาศนาสนา Allah ให้มั่นคงชนะครับอ่านขดิษฐ์พศัตรูของอิสลามคือยายาฮูดี ยโฮดีเนี่ยพอสุดท้ายนะแพ้มุสลิมอยาราบคาบเลยนะแม้แต่ยโฮดีไปแอบอยู่โคนต้นไม้ต้นไม้พูดได้เห็นไหมต้นไม้พูดได้นี่มันใกล้วันเกียรติธรรมนะพี่น้องนะถ้าต้นไม้พูดว่ามุสลิมอับดุลลอผ้าลายเยโดนี่ยโฮดีไม่แอบอยู่ตรงนี้แพ้ยังอ่ะเช็ดแล้วไปรองตองมนบงต้นไม้นี่ยข้าข้าง อ, ลอลาัลลอฮ์ละละซู่หมดเลยอ่ะ อากอดกัดแจ็ต้นไม้ชื่อกอดผมกลัวจะเอามาปลูกกันในเมืองไทยเดี๋ยวเสียวอยู่นี่ต้นละหมื่นก็ซื้อมันสวยดีนะมันโฆษณาตัวอีกรดกัดชั้นหนึ่งปกป้องรายได้โอ้โหซื้อกันใหญ่เลยเอาต่อมาอายะสุดท้ายอัลลอฮ์ยะสุดท้ายที่ดีมากนะพี่น้องอัลลอฮ์ที่นำมักกันำหุมฟิลอาร์ต أقاموا الصلاة و آ ت و ز ك و ا وأمروا بالمعروف ونهاوا عن المنكر وللله عاقبة الأمور الذين إما كنهم ا في الأرض أقاموا الصلاة ว่าทว็จักและอัมรุบิลมารุฟและเนหัวงนิลมุนค์ร์ وللله ع ا ق ب الأمور الله يعني พี่น้องครับทุกเขียนว่าเขียนแปะไว้หน้าบ้านนั่นแหะดีมากครับอ้าวมาดูอัลลาฮีนะบรรดาผู้ที่ อิ ม, มักกันนามักกันนาแปลว่าเราได้ตั้งหลักแหล่งให้เขาได้อยู่เมื่ออลัลลอให้คนคนหนึ่งหรือให้เขาเหล่านั้นตั้งหลักแหล่งอยู่ที่ไหนครับฟิลอาร์ีบนหน้าแผ่นดินทำไมไม่พูดว่าบนดาวดวงหนึ่งดวงไหนไม่เห็นพูดอลัลลอพูดยังไงนะ อูของมนุษย์อยู่บนหน้าแผ่นดินแต่ยาฮูดีต้องการจะไปหาที่อยู่ใหม่ที่ไหนดาวดาวนวนดาวนชันฟ้านวนวนันอยู่ไม่ได้ครับเพราะกุรอานอญาตนี้ชี้นาไว้แล้วนะที่อยู่ของมนุษย์อูของมนุษย์ที่อยู่อาศัยจริงๆแบบสบายๆ บ, บนพื้นดินอันนี้ว่าอิมักกานาหุมฟิลอาร์ดนะครับ บรรดาผู้ที่มีคนที่เราได้ตั้งหลักแหล่งพวกเขาให้อยู่ในแผ่นดินนี้หรือมีอํานาจในแผ่นดินนี้พูดถึงรัฐมนตรีนายงนายกเลยก็ได้หรือพูดถึงพวกเราที่อยู่ตามบ้านตามช่องนี่อลัลลอฮ์ให้อํานาจแล้วนะให้ที่ตรงนี้รอตารางว่าท่านดูแลเอาดูแลใครภรรยาลูก เมื่ออัลลอฮ์ให้อำนาจมีความสามารถตั้งหลักแหล่งอยู่ได้แล้วหน้าที่ต่อมาทําอะไรดูอกลมุศซลายงาที่อัลลอฮ์ชอบหนึ่งทำอะไรครับต้องดารงนามาเห็นยังครับต้องดํารงนามาไม่ใช่นามาคนเดียวต้องนามาทั้งทั้งหมดเลยที่อยู่ในบริเวณนี้ท่านรับผิดชอบเท่าไหรอ่อ้อยไร่หมู่บ้านนี้นมีอยู่ห้าสิบหลัง ข้าิชอบเมื่อตั้งหลักแรงตั้งมีหมู่บ้านแล้ววไรแล้วงานแรกที่จะต้องสอนให้คนรักษานามาเป็นงานที่อัลลอสทรงพอใจถ้าสูดูกัะท่ายืนท่ารกว่าข้างบนมองอัลฮัมดุลิละเบาฉันนี้รักฉันจริงๆริอัลลอฮฺ <Allah. S 1> สัญญาอะไรทำหมดเลยเรื่องที่หนึ่งนามาต่อมาครับวะอาตาอุซจากาและบริจาคากา จะบริจาคสา ก, กาดเยอะๆต้องมีธุรกิจ ต, ต้องมีงานใช่ไม่ใช่มีกุนงเงินเดือนเยอะๆนี่เวลาเขาขอขอให้รวยเขาใช่ภาษานี้โอ้เลารอให้ฉันได้มีโอกาสจ่ายส ก, กาดเยอะๆภาษ า, น, านี้ดีไหมแทนที่พูดเอารอฉันมีเงินภาษามันเพราะเอารอจ่าให้ฉันได้จ่ายส ก, กาดเยอะ ๆ, ๆ, ๆนี่อยู่คนทางโทรศัพท์มาหาผมสกาดเท่านี้ประมาณห้ารล้าน นี่อยู่คนมายืนอยู่เนี่ยขับรถมามายืนดูมสัสยิดเรียกมมนนพวมาสัญญาฟังนหมเพราะว่าเอาออกมาสิออกมายืนยืนออกมายื น, ออยนขเขาบอกเขาร่างตายอาทิตละสามครั้งอายุเท่าไรก็อายุทาเท่ากับพวกเราเจ็ดสิกบกว่ามาเพื่อจะให้จะบริจาคบางส่วนแล้วให้ผมขอถุงอา่างครัขอถุอ่างอะไรฉันมีที่อยู่ที่ ของตันเนี่ยจะขายสองพันล้านวาทัน เ, เยอะนะนะเขาเสนอแล้วพันเจ็อยากได้สองพันอัลลอลดอัลฮัมดุลิลและไ่น้องนี่ถึงอายานี้นะเมื่ออัลลอฮให้อำนาจท่านนะครับมีอำนาจในแผ่นดินใช่ไหมท่านต้องสอนให้คนในหมู่บ้านท่านริมท่านใกล้ตัวท่านทำนามาด แล้วก็ว่าอาตะบุษกามีริซกีเยอะต้องจ่ายอากาศสองพันล้านเนี่ยเงินเท่าไหร่ให้หลายอีกหลายล้านนี่ยไปนองช่าจ่ายครบนะสง่างามัมดุริเลห์วักุบานไปนอนตั้งหลายเอต่อมาครับงานที่สองงานที่หนึ่งทำนาหมาดงานที่สองจ่ายอกาศงานที่สามวะอามารูบิลมารูจงอะไรนะ จงห้ามปราบการชั่วอย่าให้มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านทา่านงานชั่วมีอะไรตอนนี้คนไม่นามาตมีไหมมี อ, อ, อับิลมารูฟจงอะไรนะจงช่วยกันทําความดีจงกําชับให้ทําความดีแม้แต่แปลผิดแปลข้ามไปให้กระชับการทาความดีอะไรบ้างเป็นความดีเอา้ารักษาถนนให้สะอาดเป็น ค, ความดีไหมทําเอา้าทำดีไปน้อง อา่าวรวมกันลงมือกันทำโน่นทำนีนนน่พร้อมๆกันอามาฐานกูโบอา้าวเป็นความดีทำกันให้มุสลิมาคุมฮิยาอา้าวทำกันรนรงค์กันพี่น้องอข้อที่สีวนานะฮฮวอานิลมุงกัแล้วก็ห้ามปรามกันในเรื่องชั่วๆยาบ้ามีไหมมีทบมาไลให้หมดยาเสพติดผู้หญิงนุ่งกระโปรงสั้นๆเดินซอยมาแล้ว ให้มันเดินอะ่ะทำงานสอนให้มันใการตัวดีๆหน่อยไม่ได้แต่ก็ต้องวางแผนกันคิดกัรเอาล่อเปิดกว้างๆว่าส่งเสริมกันให้ทําความดีแล้วก็ห้ามปาลมอย่าให้มีความชั่วเกิดขึ้นเอาล่อเป็นงานที่ยิ่งอยาก่กี่ข้อนะสี่ข้อไม่น่าจะเยอะนะไอ้สีข้อเนี่ยมองมองดูอ่านกรงอ่านไม่น่าจะเยอะแต่เหนื่อยไหมเหนื่อยนาะดูเลยงานธรรมานี่ก็เหนื่อย อัลล์มีลูกห้าคนบางคนยังไม่ตื่นทรรมาสุโบก็มีพ่อนัเครียดนะไอ้เครียดอย่างนี้มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์ถ้าพ่อแฮปปี้เออมันนอนตื่นเก้าโมงดีแฮะ <c oughs> เองฝืนอายานี้ฉะนั้นเอาสี่ข้อนี้ไปใช้เอามาดูผลวาลิลลาฮิอาติบัตุลอุมูดอลัลลอ์อายาสุดท้ายวักสุดท้าย และผลสุดท้ายอาตีบ้แต่ว่าผลสุดท้ายอัลุโมูค์กิจการทั้งหลายที่เราทำสีรายการข้างบนเนี่ยนะอยู่ที่ใครครับลินเลยอยู่กับใครอยู่กับอัลลอฮ์หมายถึงว่ารางวัลของคนที่นามาดอยู่ที่อัลลอฮ์รางวัลของคนที่จ่าย zakat อยู่ที่อัลลอฮ์รางวัลของคนที่เชิญชวนกันให้ทําความดีอยู่ที่อัลลอฮ์รางวัลของคนที่ห้ามปรามคนไม่ให้ทําความชั่วอยู่ที่อัลลอฮ์ถ้าอยู่ที่มนุษย์ หมดหมดเวลาแต่อยู่ที่อัลลอฮ์หมดหมดไหมไม่หมดครับอยู่ไปเฉพาะอัลลอฮ์ไม่ตายอะเบิกเมื่อไร่ก็ได้จะส่วนใหญ่จะเบิกหลังตายความดีที่เราทําบนโลกดุลยานี้อัลลอฮ์ให้เห็นดุลยานี่เล็กๆใ น, น้อยแต่ว่าอาคิรอดนั่นเห็นเต็มเต็มเลยวาลินละฮิา อ, าอาต์ที่ประตูอุโมทและผลสุดท้ายของกิจการทั้งหลายนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์ سبحانه และก็เป็นครับฟิตนะ อ่าอาจจบอกฟิตนาเนี่ยฟิตนาเนี่ยในโลกนี่เยอะมากเยอะครับญาติพี่น้องทะเลาะกันนี่เป็นฟิตนาสามีภรรยาทะเลาะกันเป็นฟิธนาแล้วก็ที่เหนียวเป็นฟิชนาทะเลาะกับเพื่อนบ้านเป็นฟิตนาหมดเลยครับแล้วก็ชีริกเป็นฟิธนาบินะเป็นเป็นอะไรนเป็นอะไรเป็นเป็นเป็นฟิตนาและที่สิ่งที่นมี ใกล้ๆวันเกียมาเนี่ยธุรกิจมันจะเจริญดีไหมด่ากสารสตรีจีญาเราการค้ามันจะดีขึ้นกลุ่มนี้ก็ค้าไอ้โดนี้ก็อค้าไอ้นี้ก่อค้ า, อ, คาอูค้ากันหาคนซื้อไม่เจอไม่จะคนขายหมดเลยน่าคิดนะอ้าวต่อมาครับเสียงเพลงจะเพิ่มขึ้นดนตรีจะเยอะขึ้นผู้หญิงแก้ผ้าจะเพิ่มขึ้นดินาจะเพิ่มขึ้นมันก็ตามมาเหล้าจะเพิ่มขึ้น คนดื่มเหล้าจะเยอะขึ้นฉะนั้นต้องไม่ให้สิ่งเหล่านี้อยู่ในหมู่บ้านมุสลิมทีนี้ให้ขอุดูอาถ้าฟิชนาอย่างนี้มีเยอะขึ้นให้ขอุดูอาหประโยคนะครับขอว่างนี้ครับนบีสั่งให้ขอนะซึ่งเราขอในนา ม, มาดอยู่แล้วอัลลอฮุมะอินนีอาอูซูบิกะมินัลบุคลิโอ้อัลลอ์คุมครองฉันให้ห่างใจกับการเป็นคนที่ขี้เหนียวพุ้องอย่าขี้เหนียว พอฟิตฟิตนามันมาเยอะๆเนี่ยขี้เหยวไม่ทำมาอีกไปน้องอัลลอฮ์พี่น้องนะเอาต่อมาครับดูอาที่สองว่าอาอูรูบิกามินัลยุบนีขอความคุ้มครองแต่อัลลอฮ์อย่าให้เป็นคนที่ขี้ลาดไม่กล้าปราบไอเรื่องชั่วๆที่อยู่ในซอยบ้านเราเกณงกคนนั่นเกณงคนนี้ต้องใจกล้านะข้อที่สามว่าอาอูรูบิกาอันอูรัดลลาอั ล, อ, ๆลๆอูม ขอความคุ้มครองจอากอัลลอฮฺอย่าให้อายุเราแก่แล้วก็ร่างกายก็อ่อนแอทําอะไรไม่ได้นั่นแก่ตรงนี้มี power ด้วยนะเฮ้จัดการคนเชื่อเฮ้จัดการแฮ้เหรออัลอลอฮฺอายุก็เยอะแล้วแต่คนไม่เชื่อเราเลยเนี่ยอย่าอย่าทำขออุอาตอรอนะข้อที่สีว่าเอาอยุบิกามินฟิตนัติดดุนยาขอความคุ้มครองจอากอัลลอฮฺอย่ให้ฟิต น, นัดติุนยาอย่างเงินเรื่องทอง เรื่องตำแหน่งอำนาจที่มีอยู่มาเล่นงานเราอะ่ะขอความคุ้มครองจากละว์ว่าอาอยูดีการ์มินอาญาบิลคอบอรีนี่ไงขอความคุ้มครองจากลอว์อย่าให้ถูกเล่นงานถูกทรมานที่กูโบ่ซึ่งเราขอกันอยู่แล้วต้องอัตทะยาก็ขอใช่มหมแต่บางทีมันขาดไปสองขอ้อสามข้อขี้เหนียวไม่ก็ได้ขอแล้วก็อะไรนะขี่ขาดขอด้วย แล้วก็ขอดุอาต่อเราอย่าให้เป็นคนแก่ชราแล้วลงหลงือก็ขอด้วยขอดักเอาไว้ก่อนนครับเอาละครับท่านนบีขอดุอาบทนี้สม่าเสมอและสั่งให้ภรรยาลูกๆขอดุอาสม่าเสมอแค่นั้นขอดุอาเยอะๆนะพี่น้องแต่ก็ต้องทำด้วยขออย่างเดียวไม่ทำมันลอกกับมันใช่ไหมอัลลอฮมะบิฮ์มลิกชุลลาอิลลาอิลาอันตะอัสตัลซูลอตาบะตูบุลไลค์อัสสลามุอะลัยกุมะลัมัตุลลอฮบะ a a <c oughs>